นนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเช้าเราก็จะเห็นลูกเนนเนี่ยเอาหมวกมาใส่บางคนก็ใส่เสื้อหนาวกันธรรมชาติบางทีากาศก็ร้อนมัง่งหนาวมัง่งฝนอย่างปีนี้ฝนยังไม่ตกแต่ปีที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักช่วงที่หลวงพ่อประเทศเนี่ยพูดไม่ได้เลยพรุ่งนี้พวกลูกเดนก็จะออกค่ายไปทํากิจกรรมข้างนอกสิ่งล้อต่างๆเนี่ยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา สีหลวงพ่อพูดไว้ก็คืออะไรก็ดีเนาะเดช่วยได้บางครั้งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปนดังใจเราอย่างเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อตั้งใจฝากกล้องให้โยมนไปถ่ายรูปที่บ้านใหม่โยมไม่ยังเดินผิดสายเลยโยมไปกุญ ง, งงเฉยเลยหลวงพ่อต้องดีเนาะด้วยเพราะว่าแผนที่เราวางไว้ก็เป็นคนละคนละอย่างกันหรือเมื่อวานหลวงพ่อวางแผนระวังเค้ก็ตั้งใจให้โยมเขาถ่ายบางทีก็ไม่ได้เป็นไปดังใจเราเราต้องดีเนาะหมดแหละทุกอย่างบางทีเขาถ่ายดีอย่างวันเนี้เก็บลูกเนีนได้ เก็บภาพที่คาดไม่ถึงอ่ะคือพวกภาพลูกเรียนหลายคนไปเล่นกับหมาเล่นกับเจ้าแดงเล่นกับแบ่งบุญเนี่ยจังหวะได้ภาพสวยๆลง f เฟซบ o ๊กพอดีเลยแต่ภาพที่เราตั้งใจกลับไม่ได้เรา ไ, ได้ภาพที่ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นภาพที่น่ารักถ้าพวกลูกเดียมีโอกาสก็ไปดูที่ Facebook ก็จะเห็นชุดน่าสวยที่กอดกอดเจ้าแดงถ่ายรูปนะี่ยวันนี้ก็จะเล่าที่ทานให้ฟังลูกเรียนก็ตั้งใจฟังหลวงพ่อก็แล้วกันการฟังทำ มีประโยชน์อยู่ห้าอย่างหนึ่งทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเคยได้ยินแล้วมันจะจําแม่นยิ่งขึ้นสามทำให้เราเนี่ยหายสงสยัยสี่ทำให้เราเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องห้าทำให้เราเนี่ยจิตใจดีขณะที่ฟังทำลูกเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปถอนหายใจไปหันหน้าไปทางอื่นอันนี้เราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะสิ่งที่หลวงพ่อนำ ม, มาเล่าเนี่ยเราก็นำสิ่งิริมาให้จำให้เกิดประโยชน์ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาได้เรื่องแรกก็จะเล่านิทานเรื่องคนโลภกับคนอี้ฉากันละครั้งหนึ่งปิชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนแรกชื่อว่าในแดงคนที่สองชื่อว่านายดำนายแดงเป็นคนที่โลภอยากได้สิ่งของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาส่วนนายดำเป็นคนขี้ฉา เห็นใครได้ดีกว่าก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจคือเห็นใครดีกว่าไม่ได้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้รักกันเท่าไหร่หรอกเป็นเพื่อนกินมากกว่าพราะไม่มีใครครบคนในดูหมู่บ้านก็ไม่คบพอรู้ว่าสองคนนี้เป็นคนไม่ค่อยดีคือโลภ ก, กับอิจฉาแล้วอยู่บาวันนึงในแดงก็ได้ทราบข่าวว่าที่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยมีเทวดาศักดิ์สิทธิ์ใครไปขอพรก็มักจะได้ จึงเดินทางไปที่ต้นสทยที่เทวดาศักิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ไปถึงก็อ้อนวอนขอให้เทวดาให้พรด้วยเพราะอยากจะรวยตอนแรกเทวดาก็ไม่อยากจะให้พราะรู้ว่าใน แ, แดงในโพลขี้เกียจเป็นคนทําอะไรไม่ค่อยจริงแต่ก็ทนลําคาไม่ได้เพราะในแดงอ้อนอยู่นั่นแหละจนในที่สุดก็ยอมให้แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดปัญหาจากการที่ได้พรไปเนี่ย ก็อย่ามาโทษกันก็แล้วกันเพราะจะมีปัญหาตามมาทีหลังในแดงก็รับปากเทวดาก็บอกเจ้ากลับบ้านไปได้แล้วทันไปถึงบ้านก็ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายที่เทวดาเสกไว้ให้ในแดงดีใจใหญ่เลยแสักพักหนึ่งก็เจอในดำมาที่บ้านดในดำหินสมบัติมากมายอย่างนั้นก็ถามว่ามาจากไหนขโมยมาหรือเปล่าป่วนมาหรือเปล่าแต่แดงบอกไม่ใช่ บอกของนี้ได้มาจากการขอเทวดาที่ต้นไทรายในดําก็เลยอยากไปขอมั่งจึงไปหาเทวดาที่ต้นไทรแล้วขอพอรเทวดาก็ไม่อยากจะให้เหมือนกันเพราะรู้ว่าสองคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่จําใจจะให้ไวเพราะว่าหวังจะสั่งสอนให้ได้ให้ในายดำกับนายแดงเนี่ยได้บทเรียนนายดำขอพอรยังไงลูกไวลูกเนียขอพอรว่านายแดงเนี่ยเป็นคนโลภจะต้องมาขอของจากเทวดาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้น เวลาขอของเนี่ยถ้าในแดงขออะไรก็ขอไห้ใน ด, ดำได้เพิ่มคือได้มากกว่าเท่าหนึ่งกแหละคือในแดงขอบ้านหนึ่งหลังหนึ่งในดำก็จะมีสองหลังขอคนใช้หรือวัวควายหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยจะมีมากกว่าอีกเท่าหนึ่งเทวดาก็ให้หลังจากนั้นในดำก็รวยไป ใ, ใ, ใ, ในแดงในแดงก็ทุกข์ใจมากเลยแต่ในดำในแดงไม่รู้ทำไงก็เวียนมาขอข อ, ขอเทวดานี่ยก็ใจดีนะ ให้ทุกครั้งแหละแต่ในแดงก็เจ็บใจขอบ้านหลังใ ห, ใหญใ่ในดำกลับหลังใหญ่กว่าขอเมีสยสวยๆขอคนหนึ่งเนี่ยในดำก็มีสองคนคือขออะไรเจ็บใจตลอดม่รู้ที่ทำไงแก้เครียดด้วยการมาขอเรื่อยๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เห็นในดำมาขอพรจากเทวดาในดำก็ทําหน้าทําตาแบบขอบใจในแดงอะและยเยอะเยอะคือรวยกว่า ได้ของมากกว่าแล้วก็พูดจะแบบขัดคอกัะนแหะผลสุดท้ายเนี่ยในแดงไม่พอใจตอนได้ขาดสตดิและเจ็บใจในในในดมากที่ว่าอะไรก็ได้มากกว่าเลยคิดจะแก้แทนไงจึงขอพร อ, อยู่พรนึงขอให้ตัวเองนะตาบอดข้างนึงตอนนี้ฟามสวยตกไปอยู่ที่ในดำแล้วเพราะว่าต้องตาบอดสองข้างผลสุดท้ายสองคนนี้เลยกลายเป็นคนพิการและเทวดาก็เบื่อโลกมนุษย์ รู้ว่ามนุษย์เนี่ยโลภและอิจฉาขอเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยเลยกลับขึ้นสวรรค์ไปไม่มาบนโลกอีกเลยส่วนนายแดงกับนายดำก็ตอนหลังก็เอาเงิ น, นไปรักษาตาจนหมดกลายเป็นคนพิการต้องอยู่อย่างเล่ายากลำบากต่อชีวิตอันนี้เพราะความโลภของตัวเองแท้ๆนิทานเรื่องต่อมาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมพราะช่วงหลังเนี่ยหลวงพ่อได้ยินอาจารย์โนดเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมให้ลูกเรียนฟังอยู่เรื่อยๆไม่ชีวิต ก, ก็เหมือนกัน พราถ้าเกิดผู้ลูกเนรเนี่ยไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราจะทําไม่ดีก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าไหนเป็นบาปไหนเป็นบุญเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นเรื่องเล่าที่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะเล่ากันมานานแล้วมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ยากจนแต่ก็เป็นคนกรตันยูต่อแม่แม่าะพ่ อ, พอตายไปนานแล้วแล้ววันหนึ่งแม่ก็ป่วยหนักแล้วก็ตายไปที่สุดนักศึกษาที่ยากจนเนี่ยก็ไม่มีเงินจะทําศพ รู้จะทำไงดีแล้วเผอิญข้างๆบ้านเนี่ยเป็นบ้านเศรษฐีที่ร่ํารวยนักศึกษาไม่มีทางเลือกจึงเจาะเจาะอุโมงค์อ่ะแล้วเข้าไปขมโมยเงินของบ้านเศรษฐีเงินก็น่าจะมากพอสมควรเนี่ยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าที่ทําเนี่ยเพราะไม่มีทางเลือกแต่จําเป็นจะต้องไปทำศพแม่ชานหน้าขาขอเกิดเป็นวัวเป็นควาย หรือหรือเป็นลูกก็ได้มาชดใช้นี่พร้อมทั้งดอกแล้วก็ํำเงินไปเศรษฐีเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานพอตรวจดูเงินที่หายไปอ่ะก็ไม่ได้ทุกอะไรก็ถือว่าทำทานไปแต่มีของเศรษฐีเนี่ยเครียดเลยเพราะมีเศรษฐีพ่นขี้เหนียวและคิดเล็กคิดน้อยขณะนั้นก็มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านเนี่ยเรียลายเงินเพื่อไปสร้างเจดีย์โดทางไปขอบริจาค จากที่ต่างๆก็ได้เงินมาพอสมควรอ่ะองก้อนใหญ่อยู่ถามชาวบ้านก็บอกว่าเศรษฐีเนี่ยไว้ใจได้พระหรือหลวงจีนเนี่ยก็นําเงินเนี่ยมาฝากเศรษฐีพอตั้งใจจะเดินทางไปขอบริจาคต่อพอถ้าพกเงินเรียมากมายเนี่ยมันก็ไม่สะดวกอาจจะโดนปล้นหรือทําหายได้ไปเจราจารเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็รับฝากยินดีจะดูแลให้อย่างดีเลยแล้วก็สั่งภรรยาไว้ ให้ดูแลเงินก้อนนี้ฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ดีใจเพราะเงินก้อนนี้ก็คงจะมากกว่าเงินที่ตัวเองอ่ะโดนนักศึกษาขาโมยไปจึงวางอุบายว่าจะต้องโกงเงินในนี้ยเป็นของเราแต่ติดตรงที่ว่าสามีนางเนี่ยยังอยู่คงโกงไม่ได้จึงวางแผนหลอกให้สามีไปไปที่อื่นสักสองสามวันเพราะว่านางก็ไม่มีลูกจึงให้เศรษฐีเนี่ยไปขอ ไปขอลูกจากศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่ต้องเดินทางไปไกลอยู่ใช้เวลาไปกลับประมาณสามวันเศรษฐีก่อนจะไปก็บอกว่าถ้าหลวงจีนมาคือหลวงจีนก็สัญญาว่าจะมาประมาณสองสามวันแหละถ้ามาก่อนที่ตัวเองจะกลับเนี่ยให้นิมนต์หลวงจีนเนี่ยฉันอาหารที่บ้านแล้วก็ถวายเงินของตัวเองเนี่ยทำบุญไปด้วยเพื่อสมทบในการสร้างเจดีย์ภรรยาก็รับปาก ทัเศรษฐีไปแล้วภรรยาผู้ดูแลงเงินของหลวงจีนเนี่ยก็วางแผนอมเลยตั้งใจว่าจะไม่คืนถ้าถึ ง, ถงกำหนดนัดเนี่ยหลวงจีนไปทำไปทัพทุระเสร็จกลับมาก็มาขอเงินนางก็บอกว่าเงินอะไรกันไม่รู้ไม่ได้ฝากเขาหน่อยคือเขียงแบบข้า ง, างคๆครูไปว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับฝากเงินหลวงจีนพูดั่ว คือจะโกงอะว่างั้นเถอะหลูงจีนก็บอกว่าโยมอย่าทำอย่างนี้นะเงินเนี่ยเป็นเงินที่เขาทํามาด้วยจิตศรัทธาถ้าโกงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกรรมหนักมากโยมไม่ชดใช้ไม่ไหวนางก็สาบานเลยบอกว่าถ้าโกงไปจริงเนี่ยก็ขอให้ก็ขอให้นางเนี่ยเมียนเป็นไปขอให้มีเลือดออกทางตา ขอให้ต้องตกตะลกหมกไหมหลวงจีก็บอกอย่าสาบานอย่างนั้นแต่นางก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้โกงม่นด้วยทำไงหลวงจีก็กลับกลับไปกลับวัดไปครั้นถึงเวลาสามีของนางก็กลับมานางก็เล่าให้ฟังว่าได้ทำเงินคืนให้หลวงจีไปแล้วแล้วก็ทำบุญสมทบไปด้วยสามีนางก็ดีใจหลายปีผ่านไปนางก็มีมีลูกลูกคนนี้ครอบครัวไ่ยรับรวยยิ่งขึ้น เหมือนว่าลูกคนนี้เป็นลูกที่นำโชคมาให้การค้าก็รุ่งเรืองแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะขยันขันแข็งช่วยงานพ่อแม่พ่อแม่ก็รักมากแล้วอีกสองปีถัดมานางก็คลอดลูกคนที่สองพอคลอดลูกคนที่สองเนี่ยก็เป็นปตัวซวยทําให้ครอบครัวเนี่ยเดือดร้ออยู่เป็นประจำคันเด็กโตขึ้นเนี่ยนิสัยก็แตกต่างกันมากเลยเด็กหนุ่มคนแรกช่วยทําหากินช่วยเหลือพ่อแม่หาเงินเข้าบ้าน ส่วนน้องชายเอาแต่เที่ยวเตการงานไม่ทำเล่นการมานานกินเหล้าแล้วก็เที่ยวผู้หญิงกูนียืมสินทำให้พ่อแม่ต้องใช้หนี้แทนอยู่เป็นประจำคือทำฟาร์มเดี๋ยวรอมให้ครอบครัวจนในสุดเศรษฐีกับภรยาตัดสินใจแบ่งบ ร, รดกเป็นสามส่วนเพื่อตัดปัญหาโดยให้พี่ชายส่วนหนึ่งน้องชายส่วนหนึ่งแล้วสองคนผัวเมียส่วนหนึ่งหลังจากได้บอ ร, รดกไปแล้วเนี่ยทาง พี่ชายคนโตเนี่ยก็ประหยัดแล้วขยันทำมาหากินเหมือนเดิมแต่ส่วนน้องชายเนี่ยก็นำเงินเนี่ยไปเที่ยวผู้หญิงเล่นการมานานเลี้ยงเหล้าพอไม่ช้าไม่นานเนี่ยทรัพย์สมบัติก็หมดพอหมดปุ๊บก็นึกถึงว่าจะต้องมาขอพี่ชายพี่ไม่ให้ก็ใช้กำลังทำร้ายคมคูต่างๆนานาจนในี่สุดเนี่ยพี่ชายก็ป่วยแล้วตอมใจาตายไปในที่สุดคัพี่ชายตายก็ได้สมบัติของพี่มา ก็ล้างผานต่อไปจนเงินหมดตอนนี้มองว่าต้องไปล้างผานของพ่อแม่ต่อแล้วก็ไปขอขอเงินจาพ่อแม่แหละแม่ป่วยแล้วก็ตอมตอมใจตายไปคนหนึ่งพูดพ่อเสียใจมากมองว่าตัวเองเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดทํำไมครอบครัวต้องเกิดความเปีืยดร้อนแบบนี้ถึงเสียใจแต่ต่อมาไม่นานเนี่ยลูกชายไอ้ลูกชายคนเล็กก็ตายเหมือนกันเพราะว่าเป็นโรคผู้หญิงจนตายไปพ่อเนี่ยทุกข์มาก เพวครอบครัวเด็ดไปหมดเลยทั้งพ่อทั้งเมียทั้งลูกสองคนจึงมีความรู้สึกว่าฟ้าดินไม่ยุติธรรมวันหนึ่งก็เดินทางไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งแล้วก็ฟ้องที่สิทธิ์ในนั้นนะบอกว่าฟ้าดินไม่ปราณีเลยไม่ยุติธรรมลําเอียงอย่างโน้อย่า ง, าางนี้แล้วก็หนอนที่นั่นแหละคืนนั้นขณะที่หลับก็ฝันไปว่าตนเองมาอยู่ที่ยมโลกแล้วพญายมก็บอกเจ้าว่า ข้าไปยุติธรรมเหรอเศรษฐีบอกใช่เพราะว่าสร้างบุญสร้างบุศสนมาตลอดทำไมครอบครัวจึงประสบกับความโชคร้ายพญโยมก็อธิบายเหตุผลให้ฟังแล้วก็เรียกวิญญาณของลูกชายคนแรกมาเศรษฐีเห็นวิญญาณลูกชายมาก็ดีใจจะชวนให้กลับไปอยู่บ้านลูกชายก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจพ่อแล้วก็บอกว่า ข้าน่ยไม่ใช่ลูกของท่านข้าเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ข้างบ้านแล้วมาขโมยเงินท่านไปทําศพแม่แล้วก็ตั้งใจว่าตายแล้วเนี่ยเกิดใหม่เนี่ยจะใช้ดีท่านทั้งต้นทั้งดอกตอนนี้ข้าก็ใช้หมดแล้วเราจึงไม่มีอะไรติดค้างกันพูดพ่าเสียใจยมากที่ลูกเนี่ยพูดจาเหมือนไม่มีเยื่อใยแผยโยมก็เรียกลูกชายคนที่สองมาลูกชายคนที่สองก็บอกว่าข้าไม่ใช่ลูกของท่านข้าเป็นหลวงจีน ที่เคยนำเงินมาฝากท่านแต่พยาของท่านเนโกงเงินที่เราฝากแล้วก็สาบานต่างๆนานาว่าไม่ได้ไม่ได้โกงไม่ไดเอาไปหลังจากข้าตายไปข้าก็ตั้งใจมาทวงหนี้ทั้งต้นทั้งดอกเราจึงไม่มีอะไรติดค้างกันเศรษฐีได้ได้ฟังนั้นก็เสียใจที่ลูกสองคนเนเป็นคนอื่นไหล่น้าใจไม่ตีพญาโยมก็เรียกวิญญาณของ ของภรยาเศรษฐีมาด้วยสภาพที่เห็นแล้วคนหูใจ ย, ยิ่งลักในตาของนางเนี่ยมีเลือดไหลออกตลอดแล้วก็ที่แขนที่ขาก็มีโซ่ตวนมัดไว้ดู บ, บทดดสภาพเศรษฐีบอกทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้แพอ ย, ยมก็เล่าให้ฟังเนี่ยว่าได้สาบานกับหลวงจีนเอาไว้แล้วก็โกงเงินที่ชาวบ้านถวายด้วยความศรัทธามาเป็นของตนจึงต้องรับกรรมต้องตกนรกอเวจี อยู่ในลบในลบขุมที่ลึกด้วยตอนนี้จเจ้าข้าใจกฎเหตุกรรมแล้วอย่างเศรษฐีจึงเข้าใจาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุทั้งนั้นจึงโปรงได้หลังจากฟื้นตื่นขึ้นมาเนี่ยเศรษฐีก็ไปบวชตลอดชีวิตเพื่อหาทางคนทุกเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดนะว่ากรรมมนะันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเราสร้างเหตุอย่างใดเราก็เล่าได้อย่างได้อย่างนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเป็นเรื่องจริง มีพระอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าบัวเฮียวพระรูปเนี้เคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจารันที่สิงห์บุรีนะเมื่อก่อนเป็นโยมเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระเนี่ยท่านเป็นคล้ายพ่อแม่ท่านเป็นยวนไงอยู่แถวจังหวัดทางทางอีสานเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็อยู่โรงฆ่าสัตว์พ่อแม่ก็มีอาชีพฆ่าบัวฆ่าควายฆ่าหมูพอตอนหลังเนี่ยตอนโตบัวเฮียวก็ก็ฆ่าหมูฆ่าบัวฆ่าควายแทนพ่อแต่ หนุ่มวัวเฮียวเนี่ยก็มีบีบุญเก่าอยู่เยอะอยู่ไปเจอพระดุลงพระดุลงพูดได้เห็นบาปบุญคุณโทษจึงบวชและหาทางแก้กรรมจนในที่สุดก็มาเจอหลวงพ่อจรานเนี่ยมาปฏิบัติธรรมสายยุบหน่อพองหนอปฏิบัติธรรมไปไม่นานเนี่ยก็สร้างความตกกระใจัยให้กับคนในวัดเพราะว่าพระบโบเฮียวเนี่ยก็คือจะร้องเหมือนวัวเหมือนควายบางทีก็ลงไปชักดิ้นเหมือนถูกมัดเหมือนหมูถูกมัด อันนี้มีคนเห็นมากมายบางครั้งก็ ว, วิ่งไปชนต้นไม้ต้นสาธารณะชนแบบหัวเหือแตกจีวงจีวรเนี่ยหลุดลุ่ยเลยจนคนที่มาปฏิบัติธรรมกลัวแล้วบอกถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยไม่กล้าปฏิบัติแล้วหลวงพ่อเจรันท่านก็ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าทําให้เห็นกฎเหรรงืรอกำไงเพราถ้าเกิดพระโบเฮียวเนี่ยไม่เอาหัวชนต้นไม้ ตายไปแล้วตกระ้ลบแน่เลยเพราะว่าค่าวัวค่าควายค่าหมูวัว ม, มากมายอันนี้กรรมไม่ใหชดใช้ตอนหลังก็ชนหลายครั้งเหมือนกันแหละจอหัวเหินแตกเนีย่ยพอตอนหลังเนี่ยพอกรรมเบาบางลงก็สามารถปฏิบัติธรรมได้แล้วแผลต่างๆ ท, ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อยหายไปอลูกเนนยมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยก็ช่วยลดกรรมได้นะบางทีเราไม่รู้เราทํากรรมอะไรมา อาจจะเคยโกหกเถียงพ่อเถียงแม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหักขานกตกปลาทาปลาตายหรือเหยียบมดหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยถ้าเราไม่เลิกทำเนี่ยภายาหน้ามันจะให้ผลสิ่งเรานี้มติดตามเราอยู่อย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนแม่ชีวิศก็บอกว่าบางทีเรากินไก่กินไก่กินอะไรเนี่ยพวกนี้ก็มาทวงเรานะเราต้องแผ่เมตตาให้เขา เพราะเขาก็รักชีวิตรักเลือดเงื้อตัวเองเหมือนกันบาทีเรากินเขาเราก็ต้องทำบุญให้เขาแหละลูกหนี้ก็ต้องตั้งใจแผ่เมตตาให้เขาด้วยในท้องเราเนี่ยจะมีสัตว์มากมายเลยที่เป็นเหยื่อของเราเนี่ยจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมูไก่เป็ดตลอดชีวิตเราจะกินสัตว์มากมายให้เราจะมีเจ้ากรรมในเวรมากมายทำให้เราต้องเจ็บป่วยเป็นโรคโรคนี้โรคที่เรามองไม่เห็นก็มีเยอะบางคนเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งเป็นเบาหวา น, เ ป, นเป็นอะไรเยอะแยะหมดอะ บางทีเกิดอุบัติเหตุให้เราต้องไม่ประมาดเรื่องกรรมอย่างพระโมคคลานะที่อาจารย์โน้เล่าให้ฟังเนี่ยขนาดมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์รองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยยังหนีกรรมไม่พ้นเลยจละร้อชดใช้อย่างต้องถูกพวกโจรนี่ยฆ่าตายเพราะกรรมที่เคยทําไม่ดีกับพ่อแม่ขนาดตกระรคแล้วมาเกิดใหม่กรรมยังก็อยากให้ผลพระพุทธเจ้าเองยังรับกรรมเลยคือโดนพระเทวทัศน์เนี่ยกิ่งหินลงมาจากภูเขาเนี่ยแล้วสะเก็ดหินเนี่ย มาโดนมาโดนในข้อเท้าพระ อ, องค์นี่ยทาให้เป็นท่อเลือดเพราะพระ อ, องค์ก็เคยทํากรรมมาก่อนไม่มีใครหนีกรรมพ้นเราสังเกตแล้วบางคนน่ยทำความดีเท่าไหร่บุญก็ยังไม่ให้ผลเพราะเราไม่รู้เลยบุญจะให้ผลเมื่อไหร่บางคนทำทำเรื่องไม่ดีแต่ว่ารวยเอารวยเอาค้ายาบ้าแล้วทรัพย์สมบัติก็มากมายแต่บางคนเนี่ยทำหากิสุจริตก็มีแต่เรื่องเดือด ร, ร้อนอันนี้เราไม่สามารถรู้ได้ขนาดนั้นน่ยบุญให้ผลหรือกรรมให้ผลเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ ถ้าบุญ<บ>ได้ผลก่อนเราก็จะประสบโชคดีบางก็ถูกหวยถูกกลอตตอรี่หรือได้ได้ช็อกโกแลตแบบฟุกๆแต่ถ้ากรรมไม่ผลก็ต้องเสียทรัพย์บางทีไฟไหม้บ้างญาพี่น้องเกิดอุบัติเหตุคนลักตายทยร้องเสียใจเสี่ยงนี้เกิดขึ้นได้มีทายเรื่องหนึ่งเกิดที่ประเทศจีนเหมือนกันมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ใจบูรุนทานมากเลยชอบทาบุญ ทำจนแบบชินิที่ว่าตัวเองอะทําจนตัวเองยากจนเน่ะมีใครมาขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยตอนหลังยากจนลงเนี่ยรู้ทําทำไงดีก็ปรึกษากับภรรยาว่าจะขายภรรยาเอาไปให้เป็นคนรับใช้เศรษฐีเพื่อได้เงินมาทําบุญต่อภรรยาก็ยอมไปอยู่บ้านเศรษฐีคันได้เงินมาก็ไปทำบุญอีกทาจนตัวเองยากจนอีกจนตอนหลังเนี่ย ต้องอยู่แบบเล้ยงแคส อ, อดอุจจากคือต้องไปขอทานเขากินอันนี้เขาเรียกว่าบ้าบูทำแบบไม่รู้จักทำเต็มที่เลยทําจนหมดเนื้อหมตัวจนเรื่องนี้เดือดร้อนใจไปถึงสวรรค์พวกเทวดาจึงประชุมกันบอกว่าเอ๊ะชายคนนี้ทําบุญจนหมดเนื้อหมตัวเนี่ยทำไมผลบุญถึงไม่ช่วยเขาเลยยิ่งทำํำก็ยิ่งจนจึงรู้สาเหตุว่าโอ๋ในอุจาระเนี่ยช า, ชายคนนี้ทํากรรมหนักไว้มากเลยมาชาตินี้จะต้อง อดอาหารตายและชาติหน้าจะต้องถูกฟ้าผ่าตายและชาติต่อไปจะต้องถูกเสือกัดตายจะต้องตายแบบอนาถาสามชาติพเทวดาก็ประชุมกันว่าเอาอยงี้ละกันเราลดกรรมให้เหลือตายในชาติในชาติเดียวโดยให้ชายคนนี้อดอาหารตายถูกฟ้าผ่าตายและถูกเสือกัดตายทีเดียวเลยพวกเทวดาก็ตกลงแล้วชายคนนี้ วันหนึ่งก็ไปขออาหารตัวเองก็ไม่มีแรงเดินจึงหมดสติแล้วก็ตายไปขนาดตายก็เพอเอิญช่วงนั้นเน่เป็นช่วงที่ฟ้าร้องฟ้าแลบคือมีฝนตกอะ่ะฟ้าก็ผ่าลงมาที่ล่างชายคนชายคนนี้ไม่เป็นตรละโกเลยขณะนั้นเสือที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเพราะตรงนั้นเป็นป่าเสือได้กินเนื้อไหม้ก็รีบออกมา แล้วก็มากัดชายคนนี้แหละเป็นอาหารคนมาเห็นศพชายคนนี้ก็เกิดสังเวชใจมากเลยโอ้โหจากคนที่เคยไปเศรษฐีแล้วต้องมาตายแบบอเนจอนาจอย่างนี้ฟ้าดินช่างไมยุติธรรมเลยคันภรรยาที่อยู่บ้านเศรษฐีทราบข่าวว่าสามีตายม า, มางานศพแล้วนางก็บน่นบอกว่าบุญไม่ช่วยเลยสงสารสามีมากก่อนที่นางาจากไปนาะงก็กัดนิ้วตัวเองเนี่ย แล้วก็เอาเลือดมาเขียนที่นหน้าผากของสามีเขียนตัวใหญ่ว่าบุญไม่ช่วยหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณปีกว่าๆพระเจ้าแผ่นดินก็ประสูติโอรสพระเจ้าแผ่นดินเมืองจีก็คือห้องเต้อแหละพอพอโอรสเกิดเนี่ยเด็กคนนี้ก็ร้องไม่หยุดเลยแล้วบนหน้าผากเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ว่าบุญไม่ช่วยสียแดงอยู่ทางหมอหลวงก็ไม่รู้จะทำไงเพราะรักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายเด็กก็ไม่ยอมหยุดร้องเขื่อนฮ่องเต้อเนี่ยต้องประกาศ ประกาศว่าใครเนี่ยสามารถสามารถทำให้เด็กหยุดร้องได้เนี่ยขออะไรก็จะให้ให้รางวัลมากมายข่าวที่ทราบไปถึงหูของอดีตภรรยาของชายคนเนี้ยที่อยู่บา้านเศรษฐีนางทราบข่าวพอรู้ว่าที่สยญลักษณ์ของเด็กมีบุญไม่ช่วยนางก็ชเอฉยใจน่าจะเป็นสามีนางกับกับชาติมาเกิดนางจึงเข้าไปขอเฝ้าห้องเต้แล้วก็บอกว่านางคงจะรักษาร้องของเด็กได้ ขอดูอาการก่อนคันเด็กเห็นหน้าอดีตภรรยาเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนจะจําได้ mm hmm. ก็หยุดร้องและยิม้มนางก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้ในเดียชาเป็นสามีของนางเพราะเห็นสัญลักษณ์บุญไม่ช่วยอยู่ที่หน้าผากนางก็เลยอธิษฐานจิตขอให้สามารถลบลบสัญลักษณ์นี้ได้แล้วนางก็เอามือลูบไปที่หน้าผากคำว่าบุญไม่ช่วยก็หายไปแล้วเด็กก็ล่าเริงตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ร้อง ฮ่องเต้ก็เรียกนางมาให้รางวัลนางก็ออกไม่ขอรางวัลอะไรหรอกขออยู่เป็นพี่เลี้ยงของเด็กคนนี้จนตลอดชีวิตฮ่องเต้ก็ยอมนางก็อยู่กับสามีนางตลอดชีวิตแล้วแหละอยู่ในฐานะพี่เลี้ยงอันนีบ้บุญช่วยแล้วเรื่องนี้ก็เล่ามานานแล้วนะตั้งแต่หลวพ่อยังเด็กแต่นี่พานก็ดัดแปลงนิทานของไทยบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่คงมีเข า, เขาคงอย่างเรื่องจริงแหละแล้วเร า, เ า, เาต่อกันมา บางคนก็จะอ้างว่าทําดีก็ป็นแต่ดีบางทีทําชั่วกลับได้ดีมีถมไปอันนี้คนที่อันตราลเขาจะอ้างอ้างข้อนี้กันแต่ที่จริงแล้วทําดีดีทันทีเลยอย่างลูกเนเนี่ยมาไหว้พระสวดมนต์อันนี้เราทําดีแล้วเราได้บุญละเอาแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่มีความสุขให้ญาติเราที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้เราก็ทำความดีได้บุญทันทีมาฟังหลวงพ่อพูดทํามให้ฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำความดี เกิดปัญญาแต่ถ้าลูกเรียนฟังแล้วคุยกันก็อันนี้ก็ไม่ดีเพรา ะ, ะนันเราต้องทําความดีเป็นด้วยเห็นใครทําความดีลูกเรียนก็สาธุอนุโมทนาเราก็ได้บุญด้วยเห็นคนใส่บาตรเราก็สาธุถึงเราจะไม่ได้ทนะํานะแต่จิตใจเราก็ได้บุญบุญเหมือนคนใส่แหละเขาเรามีส่วนร่วมเห็นใบ ไ, ไม้ในวัดตกช่วยกันฝาดลูกเรียนก็ได้บุญด้วยนะเพราะว่าวัดเีเป็นของพระบุตรเจ้าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเรามาช่วย ดูแลวัดของผู้ดูแลเจ้ามาช่วยถูศาลาให้สะอาดมาช่วยฝาดใบไม้ต่างๆเนี่ยเรามาช่วยดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาเรามาบวชเนี่ยพ่อแม่เราก็มาวดัดมาทําบุญแล้วก็ชื่นใจแต่ถ้าลูกเนี่ยไม่เราบวชบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้มาหรอกไม่มีโอกาสเข้าวัดบางทีท่านก็ไม่วางถ้าเป็นห่วงเราแล้วก็มาเยี่ยมอันนี้ก็ควาดีต่อความดีแต่ความชั่วก็ต่อความชั่วเหมือนกันนะเดีย๋ยวสมมุติ ถ้าว่าหลังลูกเรียนกลับบ้านไปแล้วเป็นเด็กดื้อไปเล่นเกมติดการพ น, านันไปเที่ยวเตะไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทํางานทําให้ท่านเสียใจว่าหลังพ่อแม่ก็ไม่อยากมาวัดแล้วบอกว่าเอ๊ะเอาลูปมาฝึกไม่ได้เรื่องเลยลูกแทนที่จะดีกับเลวกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันก็เลยกลายเป็นคนเกลียดวัดไปก็มีแต่ถ้าลูกเรียนกลับไปเป็นเด็กดีเป็นเด็กไม่ดื้อไม่เอาใจใจตัวเองว่ันอสอนง่ายว่าหลังพ่อแม่ก็ มีมีน้องก็นำมาม า, มาบวชอีกเพื่อนญาพี่น้องอ้าวเห็นว่าเห็นว่า น, านำลูกมาบวชแล้วเป็นเป็นเนนที่ดีเป็นเด็กดีเนี่ยก็จะบอกต่อต่อกันไปคามดีก็กระจายไปเรื่อยๆเยขาเชื่อถือวัดป่าสุกโตวันหลังก็เอามาฝากกันศีลศีลจารณีก็เหมือนกันกลับบ้านไปเป็นคนไม่ดือ้อช่วยพ่อช่วยแม่ไม่เถียงท่านแล้วก็ตอบแทนบุญคุณท่านเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมา เห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่ง <S <S เห็นสลโศกใจมากเลยแม่เนี่ยรับอุบัติเหตุมานะเลือท่วมหน้าเลยไม่รู้ลับอุบัติเหตุอะไรนะแล้วก็ลูกเนี่ยเพิ่งเกิดไม่นานเนี่ยกำลังดูดนมอยู่ขนะแม่เจ็บขนานั้นนะยังอุตสาหให้นมลูกดูดเลยเพราะสัญชาตญาณของแม่จะรักลูกมากแต่เราไม่รู้ว่าลูกจะรักแม่เหมือนอย่างนั้นไหมมีเรื่องนึงเนี่ยหมาหมาขี่เรือนะมันน่ยถูกอนาพานตีเกือบตายนะคล้ายๆว่า มันไปขโมยเนื้อขโมยเนื้อมาเลี้ยงลูกไงพืชอออกลูกไปนานเนี่ยก็ยางกุตศลโซลัสโตเ ซ, ซ, ซ, ซนนำอาหารเนี่ยมาให้ลูกแล้วก็ล้มตายเพราะโดนตีแบบแสนแสนสาหั ส, สาาหาเลยแหะอนุพันที่ตีหมาเนี่ยเป็นคนที่กินหมาด้วยนะแล้วแคลนหมามากที่บางอาจมาขโมยเนื้อแห้งที่ตากไว้จึงตั้งใจว่าค่าหมาตีบาาตัวนี้แล้วเนี่ยจะต้องนำมาชำละกินเพื่อสะสมความแคลนคันมาเห็นหมาที่เลื้ยงตาย แล้วลูกกาลังน่ารักอยู่เนี่ยเกิดความสศกสังเวชตอนนี้จิตเปลี่ยนเลยรู้สึว่าตัวเองอน่ยพาคลูกภาคแม่เขาแล้วแล้วหม า, หมาน้อยจะทําไงาแม่ตายแล้วอะ่ะก็จะไม่มีใครให้นมแล้วชีวิตก็ลำบากชายคนนั้นที่มีคนโหดร้ายเนี่ยเคยฆ่าหมาตายมาหลายตัวเห็นภาพนั้นสะเทือนใจมากเลยโยนไม้ทิ้งแล้วก็เข้าไปอุ้มอุ้มลูกห ม, มานําไปเลี้ยงที่บ้านแล้วตั้งนั้นมาเนี่ย เลือกฆ่าสัตว์ชีวิตกลายปผลนนใจดีเลยคนเราลือลอล้อจิตใจเนี่ยเขาไม่ได้ชั่วร้ายหรอกแต่ว่าเพราะว่าเขาหลงแต่ถ้ามีสิ่งกระตุ้นหนึ่งเขเนคนดีเนี่ยเขาจะกลับตัวได้อย่างองค์คุลิมาเนี่ยฆ่าคนมา999าร้อ้าก้าคนและกำลังจะฆ่าแม่องค์คุลิมาไม่ใช่คนชั่วนะเป็นคนดีแต่ว่าโดนอาจารย์หลอกถูกสิ่งแวดล้อมบีบให้ต้องเป็นโจรฆ่าคนเพื่อเอานิ้วมาอาจารย์จะได้สอบวิชาขั้นสุดยอดให้ ด้วยควที่อยากเก่งหรือทําตามอาจารย์พอฆ่าคนเยมากเนี่ยจิตใจก็โขดเยี่ยมสัญชยาตญาณก็เถื่อนลงทุกวันทุกวันขณะที่ ก, กําลังจะฆ่าแม่เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยรู้ได้ยานพระองค์จึงมาดักหน้าก่อนที่องคุลิบาลเจอแม่ถ้าเจอฆ่าแน่นอนตอนนั้นองค์คุริบาลก็จะไม่ได้เป็นพระาราหันก็จะต้องตกนรกลงแบบอเวจีเลยแหละไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดพอฟังพุทธเจ้าบอกว่า เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุณบาลเนี่ยได้คิดเลยนะคํานี้คาเดียวเนี่ยคือวิ่งตามพาระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็วิ่งไม่ทันจะบอกสามณญหยุดก่อนหยุดหยุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุณมาลก็ไปไม่เชื่อบอกว่าท่า น, นมูสาเราวิ่งตามเกือบตายก็ตามไม่ทันไหนบอกว่าหยุดพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดจากการเบียดเบียนคนอื่นแล้วส่วนท่านยังจับดาปทหารคูอื่นอยู่จึงถือว่ายังไม่หยุด พอได้คิดอยงนั้นแหละก็ทิ้งดาบแล้วแล้วก็มากกาศผู้รู้แจ้าแล้วก็ได้บวชนั้นธรรมะเนี่ยจึงสามารถพลิกกลับดำให้เป็นขาวได้ขอให้มีผู้บอกทั่นเองนัลูกเองก็อย่าพึ่งไปเสียธรรมะบางทีอาจารย์หลวงพ่อโนอนหลวงพ่อช้างสอนหลวงพ่อนบสอนหรือคนนูคนนี้เนี่ยพี่เลี้ยงเ่ยบอกพูดเราเนี่ยบางทีฟังแล้วก็ตุกใจทําให้เราเนี่ยเคยเกเรมาก่อนเปลี่ยนได้เลยนะ เดีหลวงพ่อเมืก่อนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจหรอกหลวงพ่อเป็นได้ยินหลวงพ่อไปยอมแหละมาพูดเรื่องไอ้กีวันดีมั่งมาพูดเกี่ยวกับจิตที่จะให้ดีว่จิตที่จะเอาเนี่ยมันสะดุดขึ้นมาไงแต่ตอนหลังเลยมบวชเนี่ยบวชเพราะว่าได้รับคําสอนที่ดีไงถึงตอนแรกมันจะไม่สนใจฟังนะแต่ถึงเวลาเนี่ยมันจะให้ผลให้ลูกเรียนฟังหลวงพ่อไปก่อนแล้วสักวันหนึ่งมันจะจำได้มันจะได้แง่คิเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ดังใจเราก็ดีเนาะดีเนาะช่วยได้ทุกเรื่อง แล้วก็คิดแต่เรื่องกูส่วนไว้มากๆสงสารสัตว์โลกสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเราก็จะเป็นคนดีแล้วอย่าดือ้อคนที่ดื้อเนี่ยเอาตัวไม่รอดหรอกวัดเราเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นเห็นมีพระดื้ออยู่หลายคนนะอยู่แบบทุกข์ทรมานเพื่อนก็แหมลักต้องแอ บ, บ แ, บแต่ในพระในที่นี้ส่วนมากเป็นพระดีอยงนั้นแหละพระดื้อจะไปอยู่ในที่นี้มีพระน่ารักที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเขาเสียแหละแต่พระดื้อจะหลบหลีกเพื่อนก็ไม่คบก็ลำบาก แล้วก็จะน้อยเนือต่ำใจว่าทำไมใครก็ไปรักฉันแต่เราเขาทำตัวเาเองคือเขาไม่รักใครแล้วใครจะไปรักเขาได้งไงหลวงพ่อพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาสุดท้ายเนียขอให้ลูกเนนศิลป์จริญีเนี่ยมีความสุขความเจริยธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วขอให้เด็กดีเลยนะขอจบลงแค่นี้